าเลอกคำเย็นๆไว้พูดกับคนอื่นการหาคำดีๆไว้กระซิบบอกตอนเองมีค่ากว่าคำทำนายดวงประจำปีสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่คำนี้หลายคนคงรู้สึกฝืดๆตอนพูดแล้วก็ต้องยิ้มแห้งๆตอนฟังพวกเรามาถึงจุดที่ผู้คนค่อนโลกจุกเสียดอยู่ในอกเกินกว่าจะหลอกตัวเองว่า จะขอความสุขวันขึ้นปีใหม่กันได้ดือด้อโลกที่กำลังโอมโรคไม่พร้อมจะให้ความสุขกับใครง่ายๆและพวกเราก็ยังไม่มีใครพร้อมจะหนีออกไปใช้ชีวิตนอกโลกกันได้เสียด้วยส่วนใครจะอยู่ตรงไหนซ้ำเติมตัวเองด้วยใจที่หนักทึบหรือฟื้นฟูตัวเองด้วยใจที่ใสเบาก็ขึ้นอยู่กับความต่างกันตามกรรมเฉพาะตนกรรมเฉพาะตน ไม่สนปีใหม่หรือปีเก่าสนแต่วันนี้ว่าต้องให้ผลกับคิวกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่ปีเก่าหรือที่เพิ่งทำใหม่เมื่อวานนี้กรรมเฉพาะตนไม่สนหลักประชาธิปไตยไม่มีการเทียบเขาเทียบเราไม่ใช่เห็นคนส่วนใหญ่ได้และทึกทักว่าฉันก็ต้องได้บ้างไม่ใช่เห็นคนส่วนใหญ่เสียและใจแป้ว่าฉันคงไม่คล้าวต้องเสียด้วย ทุกอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัวรู้แก่ใจตนทั้งนั้นว่าตอนนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับกรรมที่ทำไปทั้งหมดทั้งมวลคนยุคเราส่วนใหญ่ดูหมอเพื่อให้ทํานายว่าผลกรรมเฉพาะตนหรือชะตากรรมของฉันในปีหน้าจะดีหรือร้ายจะพุ่งขึ้นหรือร่วงหล่นซึ่งถ้าได้หมอดูแม่นๆก็ดีไปจะได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า แต่ถ้าได้หมอดูพู้กล้าเป็นนักเดาวสวดบางทีก็มีสิทธิ์พังทั้งชีวิตระวางแผนผิดเอาง่ายๆในทางพุทธทุกสิ้นปีที่ยังไม่สิ้นใจเรานิยมสํารวจใจที่ยังไม่สิ้นนั้นเพื่อเรียนรู้ความคืบหน้ารวมทั้งอาจพยากรณ์ตนเองได้ด้วยว่าปีที่กําลังจะมาถึงมีแนวโน้มเป็นปีบุญหรือปีบาป วิธีเก็บสถิติไว้พยากรตัวเองง่ายๆได้แก่การมองให้เห็นจิตตัวเองเหมือนวัตถุดูว่ามันติดไฟง่ายหรือว่าอยู่เย็นเป็นน้ำนิ่งได้ทุกเรื่องสถานะร้อนง่ายหรือสงบเย็นเป็นที่สบายของจิตคือสมบัติติดตัวมาตลอดปีและคุณเท่านั้นมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะให้เป็นเงาตามตัวไปถึงปีหน้าหรือปีไหน ผมเขียนบทความนี้ด้วยความรู้สึกเห็นใจทุกท่านที่กำลังย่ำแย่กับสถานการณ์โลกปัจจุบันและผมก็หวังผลจากการเขียนว่าทุกท่านที่อ่านจะรู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างน้อยเห็นแนวทางบ้างว่าสถานะของจิตที่นิ่งเย็นพร้อมเป็นกุศลไม่สัดสายไม่สับสนไม่ทอแท้ง่ายมีความสำคัญและจำเป็นเพียงใดกับปีใหม่นี้ การตัดสินใจเลือกคำเย็นเย็นไว้พูดกับคนอื่นการหาคำดีๆไว้กระซิบบอกตอนเองจะกลายเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าคำพยากรเพราะยังไงทุกคนก็รู้เต็มอกกันอยู่แล้วว่าทุกประเทศกำลังจะลำบากเชิงเศรษฐกิจผู้คนจะพากันหงุดหงิดง่ายกว่าเดิมแต่ที่ใครๆยังไม่รู้ชัดก็คือตัวของตนจะพลอยร่างพลอยหาตกเป็นผู้เคราะหร้ายทางจิต หรือกระทั่งกลายเป็นผู้ร้ายทางวิญญาณร่วมไปกับชาวโลกจำนวนมหาศาลด้วยไหมถ้าฟังแล้วร่วมรู้สติหรือมีความสว่างขึ้นภายในแม้เพียงน้อยนิดก็ขอให้กำหนดจิตร่วมถักทอกระแสกุศลเป็นเครือข่ายมหาโสมนัสมหาพลังบรันรดาลใจแด่กันและกันขอให้ทราบเถิดว่าเมื่อใดดวงจิตดีขึ้นสะท้อนว่าเมื่อนั้น ดวงชะตาดีขึ้นแล้วและถ้ารักษาความสว่างไว้ด้วยปัญญาอันสงบเย็นแบบพุทธก็จะไม่มีปีหน้าหรือปีไหนที่ทำร้ายคุณได้มีแต่มหากุศลจิตของคุณจะทำทุกปีให้ดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หมายเหตุผู้อ่านขอฝากไว้สำหรับท่านที่ชอบดูดวงคนเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนทุกคนทำดีทำชั่วต่างกันการทานายดวงตามเดือนเกิดตามราศีตามปีเกิดเช่นปีหมูปีไก่ตามวันเกิดเช่นวันจันทร์วันอังคารนั้นขอให้ทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้เพราะคนเราต่อให้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันราศีเดียวกัน ก็ไม่มีใครที่จะทํากรรมเดียวกันทําอะไรเหมือนกันทุกอย่างนิสัยสันดานก็ต่างกันความดีความชั่วการทําบุญทําบาปก็ต่างกันจะมีดวงเหมือนกันไม่ได้ถ้าคนเกิดเดือนนี้แล้วต้องมีดวงเหมือนกันไปทั้งโลกกฎแห่งกรรมก็ไม่มีความหมายนะครับจะมีการทําดีทําบุญไว้ทําไมถ้าทําแล้วก็ได้ผลเหมือนกันกับคนอื่นแล้วลองคิดดูนะครับว่าแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละราศีนั้น มีประชากรมากเท่าไรรวมแล้วทั้งโลกมีคนอยู่มากแค่ไหนแน่นอนว่าต่อให้เป็นการดาวมัวทรงเดดไปก็ต้องไปโดนกับดวงชะตาของใครสักคนหรือไม่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเช่นการทำนายว่าเป็นคนทำดีไม่ขึ้นหรือทำดีแล้วเขาไม่เห็นค่าแน่นอนว่าคนดีมีศีลบริสุทธิ์จริงๆนั้น มีน้อยกวคนไร้สิ่งไร้ธรรมอย่างมากทำดีกับคนพวกนี้เท่าไรเขาก็ย่อมไม่เห็นค่าจนทำให้รู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีหรือทำดีกับคนไม่ขึ้นพอไปเจอคําทํานายที่ตรงกับชีวิตตัวเองก็ทึกทักเอาไปเองว่าหมอดูคนนี้แม่นหรือดวงแบบนี้เชื่อได้ทั้งที่จริงถือว่าเป็นการหวานแห่ดาวส่งไปเท่านั้นการทานายแบบเหมารวมในแบบที่ดูดวงตามปีเกิดวันจันทร์วันอังคาร ราศีนั้นราศีนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมายึดถือหรือเชื่อเป็นตูปเป็นตะอย่างทุกวันนี้นะครับและความเชื่อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นศิลพารามมณ์เป็นความเชื่อแบบงมงายผิดทางถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่งที่จะขัดขวางความเจริญในทางธรรมและอาจนําชีวิตไปสู่หายนะได้มากกว่าที่คิดก็ขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ